สุรเกียรติอาชาณานุภาพเป็นบรรณาธิการนิตยสารหมอชาวบ้านนะหลายคนเคยได้ยินชื่อนะเพราะว่าพิมมา40ปีแล้วคุณหมอเล่า ว, ว่าวันหนึ่งก็ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ไปเจออากงคนหนึ่งอายุ85ดปีกำลังเดินออกกำลังกายกับลูกสาวคุณหมอก็เลยเดินไปคุยด้วยก็ทราบว่อากงเนี่ย มาที่สวนสาธารณะนี้เนี่ยทุกวันเลยออกกําลังกายคุณหมอสังเกตดูนะอากงนี่ร่างกายก็ดูแข็งแรงนะแล้วก็กระชับกระเฉงทั้งที่85ปีแล้วก็เลยยกนิ้วให้แล้วก็อวยพรขอให้อากงสุขภาพดีนะอยู่ให้ถึงร้อยปี อากงใจรีบต่อตันทีเลยนะเ ด, ยนกกนะเดี๋ยวปีนี้วกก็ไปแล้วเดี๋ยวปีนี้วกก็ไปแล้วลูกสาวเล่าว่าเนี่ยเอากงพวกเนี่ยกับใครต่อใครเนี่ยแบบนี้มาสิบปีแล้วนะแต่ว่าก็ยังแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยคุณหมอว่าเนี่ยฟังดูนี่ก็เหมือนกับคาถาต่ออายุนะให้อายุยืนเนี่ย เดี๋ยวปีนี้วกกไปแล้วฟังดูเหมือนคาถาต่ออายุนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่านี่จริงๆแล้วเนี่ยดูดีๆเนี่ยมันเป็นวิธีการเจริญมรณะสติแบบหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อได้พูดคุยกับอากงเนี่ยก็ทราบว่าแกใช้ชิตอย่างไม่ประมาทใช้ชิตอย่างระมัดระวังนะ ดูแลสุขภาพอย่างดีเลยโดยเพราะเรื่องการกินเนี่ยพยายามเลี่ยงพวกอาหารที่ย่อยยากนะเช่นหมูเนื้อกินปลาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กับผักผลไม้โดยเพราะที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่าเหมาะ ก, กับร่างกายของ คนแก่อย่างอากงเนี่ยซึ่งคุณหมอก็สรุปนะว่าอากงนี่แกกินปลาเป็นหลักกินผักผลไม้เป็นยานะี่ยกินผักผลไม้เป็นยาก็หมายความว่าไม่ได้กินเพื่ อ, อความเล็ศอร่อยนะตามใจป่ากแก่เพื่อบำรุงสุขภาพเนะีและนอกจากนั้นเนี่ยคุณอากงเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันออกกําลังกายนะ ชอบชวนลูกสาวให้พามาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยขนาะเดียวกันเนี่ยก็แกก็เป็นคนที่เข้านอนแต่หัวค่ำนะตื่นในเช้ามืดเป็นประจำยิ่งกว่า น, นั้นนะอากงเนี่ยแกเป็นคนที่อารมณ์ดีนะไม่ค่อยโกรธโมโหโใครแล้วก็ไม่บ่นว่าใครอันนี้ยังไม่นับถึง พฤติกรรมบางอย่างที่แกงดเว้นเลยนะเช่นกินเหล้าสูบบุหรีน่นี่ไม่แตะเลยคุณหมอฟังแล้วเนี่ยก็เลยสรุปว่าเนี่ยที่อากงสุขภาพดีอายุยืนเนี่ยนะก็เพราะสามอเนี่ยซึ่งเราจะเคยได้ยินมาแล้วนะออแรกคืออาหารออที่สองคือออกกลังกายออที่สามคืออารมณ์นะ แล้วก็มีสองสอที่เลี่ยงนะก็คือสุ ร, รากะยาสูตรเนะีอันนี้มันก็เป็นสูตรนะที่ใช้ในการต่ออายุทำให้อายุยืนไม่ใช่แค่เพียงนะมาทำบุญแล้วจะได้มีอายุยืนอย่างเดียวนะทำบุญมาขยันทำบุญที่วัดแต่ว่ากินอาหารไม่เลือกตามใจปาก แถมสุรายาสูบก็เอาด้วยนะกําลังกายออกกําลังกายก็ไม่เคยออกแถมยังเป็นคนขี้หงุนงิดหรือบางคนเป็นคนขี้กังวลแบบนี้ทําบุญเท่าไหร่บางทีก็ไม่ช่วยทําให้สุขภาพดีหรืออายุยืนนะแต่ถ้าทําบุญถูกวิธีเนี่ยนะมันก็ช่วยได้นะเช่น ทำบุญน่ยฝึกจิตไปด้วยฝึกจิตเพื่อลดเพื่อละนะไม่ได้มุ่งสนองความอยากหรือว่าอยากได้โนทนใหญ่อยากได้นี่คือทําด้วยจิตที่คิดจะให้ไม่ใช่ด้วยจิตที่คิดจะเอาทําบุญแบบนี้มันก็บํารุงจิตนะแล้วก็จิตที่ได้รับการบํารุงเนี่ยดูแลเนี่ยมันก็ไปช่วยทําให้การใช้ชีวิตแบบครบ3มอนนี้เป็นไปได้นะ เพราะว่าการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็ดีการออกกําลังกายเป็นประจําก็ดีการมีอารมณ์นะดีก็ดีเนี่ยนะอันนี้มันต้องอาศัยใจเป็นหลักเลยนะเพราะถ้าใจเนี่ยไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจไม่มีความรู้จักอดทนอดกลั้นเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ต่อสิ่งล่อเรายั่วยวนได้นะอาหารเนี่ย อาหารที่อร่อยน ะ, นะบางคนก็ทนไม่ได้น ะ, นะหากห้ามใจไม่ได้กินแล้วกินเยอะด้วยทั้งที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะถ้ากินมากๆเพราะมันหวานมากเพราะมันไขมันเยอะนะหรือว่ามีสารพิษนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดแม้กรทั้งกับผลไม้นี่ก็ว่าฝึกจิตไว้ดีนะ ในการกินอาหารที่คุณหมอสรุปว่าเนี่ยกินปลาเป็นหลักกินผักผลไม้เป็นยาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายจนกลายเป็นนิสัยรวมถ้ออกกําลังกายด้วยนะออกกาลังกายมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยอยากออกกําลังกายไม่ค่อยอยากขย่นขยับนะแต่ว่าใหม่ๆนี่มันก็ต้องฝื้นใจนะตื่นแต่เช้า พาตัวเองไปออกกำลังกายเ อ, อากรงนี่ดีหน่อยน ะ, ะมีมีเพื่อนออกกําลังกายคือลูกสาวนีที่จริงการมีลูกสาวที่ดูแลใจใสพ่อเนี่ยรวมทั้งการมีหมูมิตรเนี่ยนะมันก็สําคัญเหมือนกันนะสามารถช่วยชักชวนให้ไปออกกําลังกายไปเป็นเพื่อนนะในการเดินตามสวนสาธารณะ หรือว่าทำให้อารมณ์ดีด้วยนะเพราะว่าถ้ามีหมู่มิตรมีลูกสาวหรือลูกชายดูยแลใจใสมีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยนะอารมณ์ก็ดีได้ง่ายนะแต่เดี๋ยวนี้อารมณ์ดีได้ยากนะสาหรับผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้เพราะว่าอยู่คนเดียวหรือว่าแม้ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ลูกหลานก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเท่าไหร่นะเพราะเอาแต่ทางานหรือว่าต่างคนต่างอยู่ อยู่กับงานอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับโลกของตัวเองเนี่ยนคนแก่ก็เหงาเนี่ยยิ่งเพื่อนนะ่ะล้มหายตายจากไปหรือบางทีคู่ครองก็ล้มหายตายจากไปก็ยิ่งเหงาเข้าไปใหญ่อารมณ์ดีมันก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าใจเนี่ยรู้จั ก, จกอ่ปล่อยรู้จักวางบ้างลมถ้ารู้จั ก, จกทําสมาธิเนี่ย น, นะมันก็อารมณ์ดีได้นะงั้นใจนี่ก็สําคัญนะสําหรับสามอเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นได้นะอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์เนี่ยแล้วก็ช่วยทำให้การห่างไกลจากสองสอเนี่ยสุรายาสูบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายพอทำไบ่อยมันกลายเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยแล้วมันทำเองนะออกกำลังกายเป็นประจาเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องฝืนนะอยากจะทำอยากจะเดินอยากจะออกไปเดินเล่น การกินอาหารก็เหมือนกันถ้าทำเป็นนิสัยนี่มันไม่ง่ายอมันไม่ยากเลยกินปลาเป็นหลักกินผักผลไม้เป็นยามัมนก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรู้จักเจริญมรณะสติด้วยนะอย่างที่คุณหมอว่านะถ้าเจริญมรณะสติเป็นประจำก็ทำให้ไม่ประมาทแล้วก็ทำให้ใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น